กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมุบรายอย่งพระอาจารย์ทรงศิน์พระอาจารย์วัฒนชัยพระเทระกอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีและก็อุบาสกบาิกาทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่31เดือนมีนาคม2558นะก็สิ้นเดือนเนาะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นเดือนใหม่นาเมษถุนายนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยู่กัน ไม่มากนะก็อยู่กันสงบดีนะก็มีคนเข้าคนออกนะพวกนี้ก็จะมีบวชพระใหม่ในอีก3หรือ4รูปนะคนเก่าก็สึกออกไปบ้างนะคนที่มาบวชใหม่นะบางส่วนก็ไปช่วยงานบวชเนนพรุดูร้อน นะสำหรับพวกเราที่อยู่ที่ที่นีนะ่เราก็อยู่กันปฏิบัติกันไปเนาะตามเวลาและโอกาสนะก็มีทั้งคนใหม่มีทั้งคนเก่าคนเก่าก็คงรู้แล้วล่นะว่าเรามาที่นี่เรามาทำอะไรส่วนคนใหม่นี้อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ นคนที่เข้ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าเข้ามาช่องถูกนะมันก็โชคดีเหมือนกันนะถ้าเข้ามาช่องไม่ถูกเนี่ยบางทกีก็ไม่ได้อะไรกลับไปเหมือนกันนะโชคดีคือมาวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้ามาแล้วไม่ได้เครื่องมือในการที่จะดูแลจิตใจตัวเองกลับไปเนี่ยถือว่าโชคไม่ดีนะ แต่คนที่มาแล้วได้เรียนรู้นวิธีการเจริญสติโนะดยเฉพาะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียนอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จะมาอยู่3วัน5วัน7วันอยู่1เดือนหรือจะอยู่กี่วันก็ตามถ้าได้มีโอกาสนะมาเรียนรู้มาฝึกปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ย เราก็จะมีเครื่องมือนในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมในโลกต่อไปแต่ถ้าเรามาแล้วไม่ได้ฝึกเรื่องนี้นเรามามัวทำกิจกรรมอย่างอื่ น, นามาหาอยู่หากินหรือมาพักผ่อนตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็ <c oughs> ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ สถานะสะภาพสังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยเรานะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะทางด้านสังคมนะทางด้านต่างๆนะก็ทําให้คนมีความเครียดนะมีความไม่ค่อยสบายโนะดยเฉพาะความความทุกข์ทางใจนะก็มีกันพอสมควร ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะมันเป็นไปทั่วโลกอ่ะตอนนีน้ตอนนี้คนจีนก็มาเยอะามาที่วัดเร า, าซึ่งส่วนใหญ่ก็คงมีจุดมุ่งหมายนาในการที่จะม า, าฝึกฝนจิตใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองด้วยการเจริญสติก็อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยโดยเฉพาะในตัวของกระผมฤทธรมาเองเนี่ย ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับก็คือการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราแต่ไหนแต่ไรมานะเป็นหลักของวัดป่าสุกโตนะหรือสายงานหลวงพ่อเทียนกิจกรรมอย่างอื่นนี้เป็นส่วนเสริมเราไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักแต่เท่าที่สังเกตคนที่มาเนี่ยนะบางคนก็ตั้งใจดีมีความศรัทธาอยากจะมาเรียนรูนะ้เรื่องการเจริญสตินะแต่บางทีพอมาแล้วก็ มาเจ อ, เอกิจกรรมบ้างมาเจออารมณ์ที่ผ่านไม่ได้บ้างนะเช่นความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านนะก็ถอยเลยนะถอยในที่นี้ก็คือไม่ทาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเสียนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะซึ่งกิจกรรมืออื่นเนี่ยแต่มาคิดว่าพวกเราอยู่ในโลกเนี่ยเราทำกันมาพอสมควรนะไอ ง, งานการทั้งหลาย นะถ้าเราไปมัวหมกมุ่นอยู่กับงานโดยที่เราไม่มีสตินะหมายถึงว่าทํางานโดยไม่มีสตินะก็คือหาเรื่องหาทางออกนะเมื่อเราฝึกจเจริญสติแล้วมันไปไม่ได้เราก็ไปทําการทํางานกันแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องสตินะนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะเราจะไม่ต้องทํางานเลยเนาะก็ทําในส่วนที่พอเหมาะพอดี นะไม่จะทำจนเจ็บป่วยนะหรือว่าเกินกำลังแนะบางคนเจริญสติได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนะบางทีก็เบื่อก็ถอยซึ่งก็ยังดีนะยังเอาไปทำงานอย่างอื่นบ้างนะแต่ก็ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะใช้ความอดทนใช้ความเพียร น, นะ ในการที่จะทำให้ต่อเนื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะได้ผลต้องทำให้ต่อเนื่องนะแล้วก็พยายามโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยเท่าที่ทราบก็มีอยู่คนหนึ่งมาบวชแค่เว้าวันนะวันนี้ก็มีบทชชีจะมาอยู่สี่บกว่าวันะสิ่งสําคัญที่สุดที่น่าจะต้องทำก็คือการเจริญสตินะส่วนงานอื่นๆเนี่ยเราก็เป็นส่วนเสริมส่วนประกอบนะบางทีเรา เจริญสติในรูปแบบเข้มข้นมากนะบางทีมันเบื่อนะมันเซงบางทีก็ก็ไปทาการทำงานบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าทำแบบลืมเนื้อลืมตัวเนาะทำด้วยสตินะด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็พยายามอย่าทิ้งรูปแบบโดยเฉพาะคนใหม่นะถ้าเราเจอความเบื่อความเซงความฟุ้งซ่านแล้วเราถอยเลยเนี่ยมันก็สบายดีนะ อยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยแต่พอเราไปเจออารมณ์ข้างนอกเนี่ยเราเราจะไม่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันมันก็จะต้องวิ่งหนีกลับมาที่สงบอีกนะเซ็งตรงนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสภาพที่เรายังไม่ได้ฝึกนะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาวัดป่าสุกโตถ้ามามัวพูดมัวคุยมาเพื่อนคุยนะ มาสันทนาการนะมาคิดทำไอ้นู่นไอ้นี่นะแต่ว่าไม่ทําเรื่องสติเลยเนี่ยเสียเวลานะเสียเวลาในการมาวัดป่าสุโกโตนะเพราะนั้นการมาที่นี่เนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้นะเรื่องการเจริญสตินะเพื่อที่เอาสติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดระเบียบความคิด นะจัดระเบียบอารมณ์นะที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอยู่ในสังคมในโลกเนี่ย ม, มันทำได้ยากนะเพราะว่ามันมีภาระมีงานต่างๆมากมายมีสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้เราเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายแต่เมื่อเรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะโอกาสที่เราจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเป็นไปได้มากและมีโอกาสที่จะ มีความต่อเนื่องได้ง่ายนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลกับงานการมากนัก 2. นะเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องท ร, รมาหากินนะเพราะว่าเขาก็มีโรงครัวให้อยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราจะใช้เพื่อการที่เราได้กลับมานะจเจริญสติ ถ้าเรามาอยู่วัดป่าสุขโ ต, โตแล้วกินกินนอน น, อนแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติเนี่ยถือว่าเราเป็นหนี้นะเพราะว่าคนที่เขามาทำบุญเนี่เขาก็ตั้งจิตเจตนาที่จะให้เราเนี่ยได้มาเรียนรู้พวกนี้ได้มาปฏิบัติเรื่องนี้นะไม่ใช่ให้เรามากินมานอนนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหนี้เพราะนั้นการใช้หนี้ก็คือการที่เราปฏิบัติการเจริญสตินะนี่จะเป็นการใช้หนี้ เส้นะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะในการที่จะปลดปล่อยนะความทุกขนะ์หรือว่ายกระดับของจิตใจเนี่ยให้เบนเหนือความทุกข์ให้ได้ในชีวิตของคนที่อยู่ในโลกหรือในสังคมส่วนใหญ่นะเราก็จะติดในรสชาตนะิของความพอใจไม่พอใจนะที่เรียกว่ารักสุขเกลียดทุกข์ แต่การมาเจริญสติเนี่ยก็คือให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วอยู่เหนือมันให้ได้ซึ่งการที่จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์ได้นั้นก็คือการที่เรามาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติใช้สติหรือความรู้สึกตัวนี่เองเป็นตัวที่จะให้เราถอนออกม า, าไม่ได้ไปจมอยู่กับความทุกข์หรือความสุขบางคนอยู่ในโลกเนี่ยทุกข์มากเครียดมากพอมาวัดป่าสุกโตโอ้รู้สึกสบาย นะอากาศก็สบายสงบเงียบนะ เ, เพื่อนฝูงคนที่มาอยู่ในสังคมก็เป็นเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างเรียบง่ายนะไม่ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรามีความสุขซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันจะไปติดความสุขอีกไปติดความสงบอีกนะตรงนี้ก็จะทําให้เราประมาทหรือนิ่งนอนใจนะไม่ขวนขวายในการที่จะฝึกฝน ตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังาการมาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของสถานที่ก็ดีของกาลยาณมิตรก็ดีของอาหารการกินอะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นฐา น, นาในการที่เราจะมาเรียนรู้ามาเจริญสติซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราทำตรงนี้ได้นะก็จะทาให้การมาวัดป่าสุกโตเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดโดวยเฉพาะคนที่มาใหม่นะอาจจะยังไม่รู้วิธีการนะก็พยายามที่จะเข้าหาเนาะคนที่เขาทำอยู่แล้วคนที่พอจะมีความรู้นะหรือศึกษานะจากภาพเขียนบ้างตัวหนังสือบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะถ้ามาโดยไม่มี การมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยบางทีบางคนมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็จะกลับไปนะก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาเนาะและบางทีก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยวัดป่าสุกโตนะไม่เหมือนอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาหรือดูโทรทัศน์มานะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้มาเรียนรู้นะเรื่องของการเจริญสตินั่นเองทีนี้ในแง่ของการเจริญสตินะสำหรับคนใหม่เนี่ยนะสิ่งที่ เราจะทำก็คือการเจริญสติในแนวเคลื่อนไหวการเจริญสติแนวนี้เนี่ยจะต่างจากการเจริญสติแบบนั่งหลับตานะส่วนใหญ่ที่นั่งหลับตาคือมุ่งให้สงบแบบไม่คิดอะไรนะซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อสงบแบบไม่คิดอะไรแล้วก็จะไปติดสงบนะติดสงบมันก็ไม่เกิดปัญญาแต่การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนั้นเรามุ่งที่จะ ให้เรามีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนะเมื่อเรารู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นใจที่นึกคิดขึ้นมาได้นะซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นการเคลื่อนไหวมือการเคลื่อนไหวกายเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ขั้นเบื้องต้นนะเขาเรียกว่าการบาเพ็ญเพียรทางกายให้มันรู้เท่าทานกายที่เคลื่อนไหวหยับหยาไปก่อนนะจะยกมือจะเดินนะ พอรู้หยาบหยาบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้ละเอียดเข้าไปความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวนะอันนี้เป็นสิ่งเรียกมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าสติหรือความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะตื่นขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เราไปสนใจเรื่องข้างนอกนะเราใช้ตาที่จะดูโลกข้างนอกนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเรามีตาใจคือความรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ย เราเราไม่ได้เปิดมันเพราะฉะนั้นการที่เรามากระตุ้นหรือปลุกความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการเปิดตาในนะเปิดตาใจคือตาที่เป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อกําเขียนใช้คำว่ตาวิเศษทุกคนมีแต่จะเปิดหรือไม่เปิดเท่านั้นเองถ้าเราไปมัวนั่งนิ่งหลับตาไม่รับรู้อะไรเลยตานี้มันก็จะปิดเฉียงนั่นแหะแล้วเราไป ดื่มดำกับความสงบความไม่คิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรามายกม้ยกมือนะให้ความคิดให้อารมณ์มันแสดงออกมาแต่เราไม่ตามมันนะมันคิดขึ้นมาเราไม่ตามเราทิ้งเลยคิดขึ้นมาทิ้งเลยกลับมาอยู่ตรงการเคลื่อนไหวมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่กายคิดขึ้นมาเท่าไหร่ทิ้งมากเท่านั้นแล้วกลับมารู้ได้เท่านั้นนะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ เพราะนั้นการปฏิบัติในการเคลื่อนไหวปัญญามันจะเกิดตรงที่เรารู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวแล้วใจมันนึกคิดนะแรกๆอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าเพิ่งไปดูไปจ้องมันนะความคิดมันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจแล้วมันคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจมาดูที่กายบ่อยๆถ้าเรารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆเนี่ ย, ยเป็นการบำเพ็ญเพียรทางกายถ้าทําบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อย ตรงนี้ความรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นหลักนาะที่จะให้เราเนี่ยไม่พัดหลงไปในอารมณ์ไม่พัดหลงไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแม้แต่เรื่องปัจจุบันก็ไม่เอานะกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนาะของการเปิดตาในขึ้นมาตาเนี่ยมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆ การว่าสว่างในที่ไม่ได้เป็นแสงสว่างนะแต่มันเริ่มเห็นชัดขึ้นกายเคลื่อนไหวอะไรนิดอะไรหน่อยนะแล้วถ้าความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นเนี่ยกลิ่นดอกไม้อ่อนๆในป่าเนี่ยมันโชยมาเราก็ได้กลิ่นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้กลิ่นมแมลงมันกรีดมันกรีดปรีกร้องนี่เราก็จะได้สัมผัสมันในยามค่าคืนในเสียงที่สงบเราจะได้ยินเสียงที่มันละเอียดอ่อนลงไป เรียกว่าโสตประสาทสัมผัสของเรามันจะละเอียดอ่อนขึ้นนะะซึ่งตรงนี้มันเริ่มเห็นพัฒนาการขึ้นมานะะนั้นเป็นส่วนของกายทีนี้การบําเพ็ญเพียรทางกายเราก็ต้องทําย้ําแล้วย้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทําอยู่เรื่อยๆนะะไม่ว่าจะทําในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามนะะเดี๋ยวมันจะไปเห็นสิ่งที่มันคิดนึกความพอใจความไม่พอใจความปกติเฉยๆของใจมันก็มีอยู่นะะซึ่งอันนี้นเป็นของที่ละเอียดอ่อน เป็นนามธรรมานามธรรมานี้คิดนึกเอาไม่ได้นะการฝึกเจริญสติเนี่ยอย่าไปใช้ความคิดแนละคิดรู้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้คาดคะเนงไอ้นี่โดนความคิดหลอกหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดขึ้นมาเท่าไหร่ทิ้งไปเลยนะกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตาในที่จะเปิดนะให้เราเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะถ้าเราเห็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่หลง เราก็ไม่ไปจมอยู่ในความสุขและความทุกข์ความพอใจและความไม่พอใจการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราไม่ต้องไปปล่อยวางอันนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติจากการที่เรามีสติรู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวก่อนนะตรงนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สำหรับคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีนะได้ทบทวนเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยเนี่ย ใจมันก็จะเกิดการปล่อยวางเองมันก็จะแสดงสภาพดั้งเดิมของมันสภาพดั้งเดิมของใจธรรมชาติดั้งเดิมคือความเป็นปกติปกติเฉยๆแต่เฉยแบบรู้นะเฉยพร้อมที่จะทําการทํางานทําหน้าที่เฉพาะหน้าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะมีวิจารณญาณมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาในการทาสิ่งต่าง นะถ้าเราไปนั่งนิ่งๆ่งหลับตาเนี่ย ม, มันเฉยเงั น, เ ฉ, น เ, ฉเฉยแบบซื่อบือ้อเฉยแบบไม่รู้เรื่องราวอะ่ะนะเรียกว่าจะติดอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์สงบนะซึ่งตรงเนี้มันก็ทําให้กลายเป็นคนที่พยายามหลีกหนีไม่สมาคมไม่สังคมกับคนนะหรือบางทีก็ไม่เอาการเอางานเลยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องระมัดระวังนะซึ่งอันนั้นไม่น่าจะเป็นเป้าหมายนะของการที่เรามาฝึกนะ เราฝึกเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้ในการทำงานทำงานนะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่มาวัดป่าสุโกโตเนี่ยควรจะได้สิ่งนี้ทีนี้ในการฝึกเจริญสติหรือในการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมันจะมีอุปสรรคที่มันจะมาขวางความเบื่อความง่วงความฟุ้งซ่านนะจริงๆอันเนี้ยบางคนก็บอกเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราเข้าใจนะ เราเรียนรู้เราใช้ความรู้สึกตัวช่วยผ่านอารมณ์เหล่านี้เนี่ยหรือใช้อิริยาบถแก้เช่นเรานั่งแล้วมันง่วงนะเรายกช้าๆมันง่วงเราทําให้มันเร็วขึ้นหรือเราลุกเดินจงกรมนะเดินหน้าถอยหลังแก้มันถ้าเราแก้เนี่ยอุปสรรคจะกลายเป็นอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความง่วงนี่เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้เรารู้จักการตื่นความง่วงกับความตื่นมันมันเป็นคนละด้านกัน แต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาศัยสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพนะ้ถ้าเจออารมณ์พวกนี้ความเบื่อความง่วงความฟุง้งซ่านบางคนมาใหม่ๆนี่ปฏิบัติไปโอ้โหทำไมมันฟุง้งซ่านอยู่ที่บ้านเมนฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยสงสัยจะไม่ถูกแล้วล่ะไม่ถูกกับจริตเราแล้ ว, ลวถอยหลังเลยนะบางคนกลับบ้านเลยนะมาไม่กี่วันนะ จริงๆความฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะให้เราเรียนรู้เป็นความเคยชินที่เราเคยคิดนู้นคิดนี่คิดนั่นนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ทันมันเพราะมันเกิดความคิดขึ้นมาเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นตั้งแต่อดีตมานะเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยทําให้เกิดเป็นเรื่องยืดยาวความคิดมันต่อเนื่องมันไม่ได้ทิ้งเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกนะ ถ้าคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปสนใจมันกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราทิ้งความคิดได้ปล่อยวางความคิดได้นะซึ่งอันนี้นจะเป็นการบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญเพียรทางจิตนะจากกายก็มาสู่จิตนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญและถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะเห็นของห ย, ยาบๆความคิดห ย, ยาบๆอารมณ์หยาบๆเช่นความโกรธอย่างเงี้ยมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นทัน แต่ก่อนที่มันจะโกรธเนี่ยมันจะกระเพื่อมหงุดหงิดหงุดหงิดน้อยๆนะตรงนี้พอเราเห็นชัดเนี่ยนะมันก็จะสลายไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนที่มันจะโกรธมันจะหงุดหงิดก่อนนะมันจะกระเพิ่มก่อนนะถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหายไปเองแต่เพราะความที่เราไม่เห็นเราลืมเนื้อลืมตัวเราไปจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในอารมณ์มันก็พุ่งผพานขึ้นมากลายเป็นความโกรธนะที่เรียกว่าโทสะขึ้นมา เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากสติน้อยๆที่เราฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นสติที่ฉับไวขึ้นเขาเรียกว่าหมาสติสติสามัญที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นหมาสตินะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไดจากการฝึกไม่ใช่ได้จากการอ่านไม่ใช่ได้จากการนึกคิดนะบางคนชอบฟังธรรมะโอ้โหดีจังเลยนะหลวงพ่อนั้นก็พูดดีท่านอาจารย์นั้นก็พูดดีฟังตลอด นะฟังไม่เบื่อเลยแต่ไม่ได้ปฏิบัติซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไปหลงว่าเรารู้แล้วซึ่งอันนี้อันตรายนะถ้าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติเรายังทุกอยู่เรายังโกรธอยู่เรายังหงุดหงิดอยู่นั่นแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยยังยังด้อยไปนะเราก็ต้องเพียรให้มากขึ้นเพราะนั้นมันจะมีสิ่งที่จะบอกเราได้นะไม่ต้องไปให้ใครบอกหรอกว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรารู้หรือไม่รู้เรารู้ด้วยตัวเราเอง อารมณ์ที่เคยร้อนมันเปลี่ยนเป็นเย็นได้เออนี้แสดงว่าออใช้ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปว่าสรุปเลยนะว่าเราจะเย็นตลอดนะบางทีมันก็กลับไปกลับมาเอ๊ะเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันดีใจเดี๋ยวมันเสียใจเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันไม่โกรธนะให้นี้ให้สังเกตดูนะพะนั้นให้สังเกตดูบ่อยๆแล้วก็ทําความรู้สึกตัวบ่อยๆทําให้ต่อนเนื่องเนาะโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยเนี่ย อยากจะแนะนำว่าให้ปลีกตัวเองจากหมู่กลุ่มเลยนะอย่าไปคุกคีกันมากถ้าไปคุกคีเนี่ยมันก็จะไปมัวยุ่งกับเรื่องราวของแต่ละคนนะไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเวลาปฏิบัตินะแต่นี้ก็ไม่ได้หมายว่ า, าจะไม่คุยกันเลยนะถ้ามันมีเรื่องจำเป็นก็คุยแต่อย่าพยายามพอปฏิบัติแล้วเบื่อก็ไปหาเพื่อนคุยตรงเนี้เสียโอกาสเลยเสียเวลาแล้วมันจะสร้างมันจะสร้างความเคยชินที่จะ ไม่ได้ปฏิบัตนะิเรียกว่ามันจะมันจะเบื่อการปฏิบัติแล้วมันก็จะท้อนะแล้วมันก็ถอยไปเพนะราะฉะนั้นการแก้อารมณ์นี้ก็คืออย่าไปยอมแพ้มันนะความเบื่อความง่วงความฟุ้งซ่านนะพยายามแก้อารมณ์มันด้วยวิธีการต่างๆนะตรงนี้ก็จะทําให้เราเดินไปได้เรื่อยๆบางทีเดินหน้าบางถอยหลังบงไม่เป็นไรนะแล้วก็อย่าไปเครียดตัวเองอย่าไป เอาจริงเอาจังนะทำบ้างเร่งบ้างถอยบ้างนะอันนี้ก็ดูให้พอเหมาะพอดีอย่าไปเครียดจนหน้าดำำําข่ําเครียดนะซึ่งตัวผมฤทธรมาเองก็เคยมีโอกาสไปฝึกแล้วาจริงเอาจังจนมึนจนเครียดแลสมัยที่ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าอย่าไปเพ่งไปจ้องมันมากเราก็บอกแล้ไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องนะเราไม่รู้ตัวนะมันก็หนักหัว ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องสังเกตเนาะให้มันพอเหมาะพอดีคนใหม่ๆมันจะเพ่งทุกคนอ่ะมันจะเอาจริงเอาจังเลยเพราะคนที่มาเอาจริงเอาจังเดี๋ยวมันจะค่อยๆๆผ่อนไปเองนะตรงนี้ก็ค่อยๆปรับสมดุลให้มันพอเหมาะพอดีหนักนักก็ผ่อนหน่อยถ้ามันเผลอก็เพ่งกาไปถ้าเพ่งมากก็ผ่อนลงหน่อยนะเดี๋ยวมันจะหาจุดพอดีของมันซึ่งตรงนี้เราต้องสังเกตเอาเองเนาะ จุดพอดีมันคือยังไงมันก็ทําได้เรื่อยๆมันรู้สึกตัวดีมันเห็นกายที่เคลื่อนไหวใจที่คิดนึกมันรู้เท่ารู้ทันรู้ได้ทันบ่อยๆนะคิดปุ๊บรู้ปับ๊บนะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าเออเรามีพัฒนาการนะแล้วก็ตรงนี้มีอันเดียวที่เราจะต้องระมัดระวังคือไม่ประมาทอย่าไปสรุปว่าเรารู้แล้วนะรู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วตรงเนี้ยต้องระวัง เพราะนั้นทำไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะเห็นผลเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราสัมผัสกับจิตปกติบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆอะไรมันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเห็นนะั่นะแต่เราไม่เข้าไปเป็นกับมันนะั่นะนั่นะนะมันจะเริ่มที่จะเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่มีหลวงพ่อเทียนอยู่หลวงพ่อคาเขียนอยู่ครูบาอาจารย์อยู่เรานะ่จะต้องเป็นที่พึ่งตัวเราเองนะสมกับคาที่พูดว่าอัตตหิอั ต, อตโนทู ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นด้วยการฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องมีความเพียรพยายามใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอารมณ์ต่างๆตัวนี้จะทำให้เราพัฒนาไปนะทำให้การเจริญสติของเราก้าวเดินต่อไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็อยากจะฝากเนา ะ, ะข้อคิดนะสำหรับในเย็นวันนี้ กนะ็ก็ขอให้เราได้ใช้ประโยชน์จากการมาวัดป่าสุขกโตในเรื่องนี้ให้เต็มที่นะกิจอย่างอื่นให้เป็นเรื่องรองไปนะอย่าให้เป็นเรื่องหลักนะเพราะนั้นวัดป่าสุขกโตเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ด้วยเรื่องนี้นะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเสริมเท่านั้นเองนะอันในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอากุลของพระสีรัตนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงความจริงที่ปรากฏที่แสดงทั้งที่เกิดภายในจิตใจของเราแล้วก็เกิดภายนอกนะพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ด้วยความเพียรความพยายามความอดทน ความตั้งใจนะในการที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกขนะ์เหนือจากความวุ่นวายใจต่างๆไดนะ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขอให้ได้ประสบพบเห็นนะในปัจจุบันชาตินี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจ ร, ริญพร